เรื่องการอุบัติของพระเถระชื่อจติละความพิสดารว่าในกรุงพารณสีมีทิดาเสียถีผู้หนึ่งรูปสวยมารดาของนางบำรุงเลี้ยงดูนางไว้บนปราสาทชั้นเจ็ดนางตั้งคันกับวิทยาธรคลอดลาวนำเด็กทารกใส่ภาชนะให้ทาสีไปลอยน้ำ หญิงอุปัฏฐายิกาของพระมหากาจยนะเอาไปเลี้ยงตั้งชื่อว่าชติละเพราะเหตุมีผมเกรอะกรังเป็นกระเซิงพระมหากาจยนะรับเอาไปบวชเมื่อโตแล้วชติละช่วยอุบาสิกาขายสินค้าแม้เทวดาก็ช่วยเด็กให้ขายของได้หมดเขาได้เป็นเศรษฐีเพราะมีภูเขาทองผุดขึ้นใกล้เรือนของเขาประมาณ80ดสิบศอก พราชาจึงทรงชัดสำหรับเศรษฐีประธานแก่เขาได้เป็นชติละเศรษฐีเขามีบุตรสามคนชติละเศรษฐีให้บุรุษเที่ยวสืบหาเศรษฐีที่เสมอกับตนพบเมธ ก, กาเศรษฐีที่พัิยานครและพบโชติกะเศรษฐีเป็นครั้งที่สองบุรพากกรรมของชติละความพิสดารว่า เมื่อมหาชนกําลังสร้างพระเจดีย์ของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่นั้นพระกีณาศพองค์หนึ่งไปสู่เจดีย์นั้นแล้วรันรู้ว่าทองไม่พอก่อมุกเจดีย์ด้านเหนือจึงได้ไปชักชวนมหาชนฝ่ายในช่างทองกําลังทะเลาะ ก, กับภริยานั่นเองได้ยินพระเทราชวนทำบุญจึงกล่าวว่าท่านจงโยนพระศาสดาของท่านลงในน้ําซะรันรู้ว่าตนทํากรรมอันหนัก จึงหมากกราบขออดโทษต่อพระเทระจึงได้ทำหม้อดอกไม้ทองคำสามหมอ้อบรรจุเข้าไว้ในที่บรรจุพระาธาตุขออดโทษต่อพระศาสดาแล้วเรียกให้บุตรชายทั้งสามคนมาช่วยกันทำหมอบูชาพระาธาตุด้วยกันลูกชายคนโตไม่ปรารถนาจะทำให้พ่อทำเองเถอะลูกชายคนรองก็กล่าวอย่างนั้นเหมือนกันส่วนลูกชายคนเล็ก คิดว่าธรรมดาวากิจของบิดายอมเป็นภาระของบุตรจึงช่วยบิดาบูชาพระธาตุด้วยหม้อทองคำสามหม้อจนสำเร็จด้วยกรรมนั้นเขาได้ถูกโยนลงไปในน้ำในเวลาเกิดถึงเจครั้งด้วยประการชนีสองพี่น้องคนโตไม่ได้ปรารถนาบุญในเวลาทำดอกไม้ทองคำภูเขาทองจึงไม่เกิดสำหรับเขา แต่บุตรคนสุดท้องได้ช่วยบิดาภูเขาทองคำจึงได้เกิดแก่เขาเท่านั้นการต่อมาพระเจ้าอาชาศัตรูสมคบกับพระเทวทัต์ลงพระชนพระราชบิดาแล้วดำรงอยู่ในราชสมบัติมีพระประสงค์จะยึดเรือนของบุตรเศรษฐีพระราชายกพลเข้าไปเรือนเศรษฐียักษ์ชื่อยมะโมลีผู้ยืนรักษาซุ้มประตูที่หนึ่ง กำจัดพระเจ้าอาชาศัตรูและบริวารให้หนีออกไปแล้วเศรษฐีกรั้นทราบข่าวว่าพระราชาจะยึดเรือนก็สลดใจใกล้จะบวชจึงกราบทูลแด่พระราชาขอบวชพระราชาคิดว่าถ้าเศรษฐีบวชแล้วจะยึดเรือน ง, ง่ายจึงอนุ ญ, ญาตให้เศรษฐีบวชเศรษฐีบวชแล้วการไม่นานก็บ ร, รุอรหัต ในขณะที่ท่านบรรลุอรหัสนั่นแลสมบัติแม้ทั้งหมดนั้นก็อันตรธานไปพวกเทวดาก็นำภริยาของเศรษฐีที่ชื่อว่าสตุลกายะนั้นไปสู่อุตรกุรุทวีบนั่นแหละพระสัสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุตรของเราไม่มีตัณหาในประสาทหรือในหญิงนั่นเลยผู้ใดละตัณหาได้แล้วในโลกนี้ เป็นผู้ไม่มีเรือนเว้นเสียได้เราเรียกผู้ซึ่งไม่มีตันหาและพบอันสิ้นแล้วนั้นว่าเป็นพรามในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิพลเป็นต้นดังนี้แหละ